คนยุกเรานะอะไรอะไรก็ต้องเร็วนะหาอยู่หากินว่องไวเราต่อสู้แย่งชินัเนเคยชินเฉลียนธรร ม, มะยังต้องแย่งกันเลยเดีนะ๋ยววันที่ยี่สิบเก้าเปิดจองนี่หลวงพ่อไปสั่งรถสุขขามาสองคันแล้ว เห็นใจผู้หญิงนะผู pues y y ok ok ้ชายมันง ok ่ายหรอกหรือว่าจะให้ถอดล้วออกนลวิ่งออกไปข้านอกนะไปเติมปุ๋ยให้ไล่มันก็นะมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่คนสนใจธรรมะถึงขนาดแย่งกันเมื่อก่อนมีปรากฏการณ์นั้แย่งกันไปเช่าพระจนเหยียบกันตายของเราเหยียบถึงขนาดแย่งกันเรียนธรรมะจนเหยียบกันตายนะ ใจเย็นๆนะจริงๆแล้วธรรมะไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อธรรมะอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่แหละเรารู้สึกตัวบ่อยๆเราก็จะเห็นธรรมะเองอะ่ะถ้าเราใจลอยเราหลงไปวันๆหนึ่งก็หมดไปวันๆหนึ่งแต่ละคนต้องการอิสระนะต้องการชีวิตที่มีอิสระต้องการชีวิตที่สบายมีความสุขแต่เราเองสร้างพันธนาการขึ้นมาเองแต่ละคนสร้างพบขึ้นมา คนชั่วก็สร้างพบของคนชั่วคนดีก็สร้างพบแบบคนดีนักปฏิบัติก็สร้างพบแบบนักปฏิบัติพบนักปฏิบัติเนี่ยต้องอย่างนี้นะจะกินน้ําสมมติอยากกินน้ำํำ <c oughs> พอดีหัวใจวายนี่ไปสร้างมันขึ้นมานะให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นจริงๆ ร, รู้จิตใจอย่างที่เขาเป็นไม่ต้องเป็นหน่วงอารมณ์ให้ช้าลง บางคนบอกว่าสติผมมันน้อยนะผมต้องทำอะไรช้าๆเพื่อสติจะได้ทันสติมันไม่ยอมนะกิเลสมันไม่ยอมช้าไปด้วยหรอกงั่นเราแกล้งทำอะไรให้ช้าๆนะกิเลสเอาไปกินซะเยอะเลยงั้นได้บ้างเสียบ้างแบบรู้ไปเรื่อยรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรืนะ่อยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอย่าไปเพ่ง เมื่อไหร่ที่มีการทํางานทางใจเกิดขึ้นมันนั่นเรียกว่าภพนะภพพอลาเผาพอพานนักปฏิบัติเป็นนักสร้างภพตัวยงมันน้อยคนหรอกที่จะข้ามภพข้ามชาติเพราะมองไม่ออกว่าสร้างภพขึ้นมาสร้างภพคือมีการทํางานทางใจเกิดขึ้นทําไมต้องทําเพราะมันมีอวิชชามันมีอวิชชาไม่รู้ความจริงของกายของใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา คิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราของเราก็อยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบอยากให้มันได้มรรคผลนิพพานเ่ยมีตัณหาเมื่อมีตัณหาก็เกิดการสร้างภพอยากให้มันมีความสุขนคนในโลกก็สร้างภพด้วยกันไปดูหนังฟังเพลงหลงอยู่กับโลกเพลิดเพลินอยู่กับโลกมีครอบครัวมีลูกเต้าอะไรเงี้ยหวังว่ามันจะมีภพนี่สร้างภพ มันจะมีความสุขหวังว่าจะสุขมันก็ไม่สร้างพบขึ้นมาคนดีก็สร้างพบของคนดีนะว่าต้องมีมาตรฐานอะไรที่ผิดมาตรฐานเราทนไม่ได้รุ่มใจนะัปฏิบัติก็สร้างพพนิ่งนิ่งว่างว่างนะสบายสบายหรือไม่ก็เครียดเคียดหลวงพ่อเคยทำนะหลวงพ่อเคยอยู่นี่จ้องจ้องไม่ให้คลาดสายตาเลยจ้องไปจ้องไปมันมันทุกข์มากเลยนะ บูชาปรับใจตัวเองเนีย่ยพระพุทธเจ้าให้ร่วงทุกข์ด้วยความเพียรท่านสอนสติปัฏฐานกับไม่เรียนไปนั่งเพ่งเอาเพ่งเอาแล้วบอกนี่จะร่วงทุกข์ด้วยความเพียรไหมนั้นหัดเจริญสตินะการเจริญสติรู้กายมีสติรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานถ้ารู้กายตรงความเป็นจริงรู้ใจตรงตามความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสนานะ รู้สึกกายรู้สึกใจเห็นกายอย่างที่เขาเป็นเห็นจิตใจอย่างที่เขาเป็นมีวิปัสสนาในที่สุดก็รู้ความจริงว่ากายนี้ไม่ใช่เราจิตใจนี้ไม่ใช่เราเห็นไละความเห็นผิดไปต่อไปก็ดูไปอีกก็ละความยึดถือละความเห็นผิดได้ได้เป็นพระโสดาบันละความยึดถือได้หมดสิ้นก็เป็นพระอรหันต์เมื่อไม่ยึดถือในกายในใจสามารถจะสร้างภบขึ้นมาอีกไหมจะไม่สร้างละ ที่สร้างภพเพราะว่าไปยึดกายยึดใจอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอยากให้มันสงบอยากโน่อนอยากนี่ก็ เ, เลยเกิดการดิ้นรนทางใจสร้างภพขึ้นมาถ้ารู้ความจริงของกายของใจไม่ยึดกายยึดใจแล้วมันจะไม่สร้างภพอีกแล้วเรียกว่าสิ้นภพบจบลมจันทร์ลมจันทร์คือการประพฤติปฏิบัติพระเจ้าถึงสอนหลักนะบอกว่าเพราะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่าย เพรเบื่อหนายจึงใครกำหนัดคือใครความยึดถือเพราะใครกำหนัดจึงหลุดพ้นนะเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วไม่ต้องทำละนะย่างไม่งั้นต้องประฤริอยู่คําว่าพรหมจรรย์ไม่ใช่แปลว่าอะไรนะเบอร์จินนะหรือแต่พรหมจรรย์คือการศึกษาปฏิบัติธรรมไม่ต้องศึกษาปฏิบัติอีกแล้วเราไปยืมคําว่าพรหมจรรย์มาใช้ในทางที่ไม่ตรงกับคําเดิม อย่างพร ะ, พฤฤ ป, รระประพฤติพรหมจรรย์คารวะประพฤติได้ไหมประพฤติได้ถ้าเราศึกษาปฏิบัติธรำนะมีสติอยู่แล้วก็เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์อยู่ช้าบวชมาแล้วก็คิดถึงสาวทั้งวันไม่เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์เราไม่ได้ปฏิบัติเงินภาวนาถึงสุดขีดนะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจท่านบอกชาติคือความเกิดแนละไม่มีอีกแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วนะคือจบแนละ้วจบการศึกษา กิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วดังั้นกิจที่ควรทําของพวกเราก็คือศึกษาธรรมะนะเพื่อความพ้นทุกข์ถ้าเราพ้นทุกข์แล้วก็กิจสําคัญในชีวิตของเรานี่ก็จบละพวกเรามืกี้คิดว่าหน้าที่ของเราก็คือตอนเด็กๆ ก, ก็เรียนหนังสือตามมา ก, ก็มีครอบครัวหาอยู่หากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็ตายเนั้นอย่างนั้นจะ เ, เรียกหน้าที่ของสัตว์เดรัจฉาน ถ้านะมนุษย์ต้องพัฒนามากกว่านั้นหน้าที่ของมนุษย์ไม่ได้หยุดอยู่แค่หาอยู่หากินเชิญวันหนึ่งก็ตายหน้าที่ของเราต้องพัฒนาจิตวิญญาณของเราขึ้นไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นทาไมเราจะต้องมีชีวิตที่มีความทุกข์มันมีชีวิตที่ไม่ทุกข์ก็ได้มันเรื่องอะไรจะต้องทุกขนะ์สัตว์ทั้งหลายมันต้องทุกข์เพราะมันไม่มีทางออกมนุษย์มีทางออกที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้ดังนะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือการเรียนรู้ตัวเองนะ เนยท่านถึงบอกว่าสิ้นชาติสิ้นพบจบพรหมจรรย์นกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วคือกิจที่ควรทําคือการเจริญสติทําเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกหมายถึงไม่ต้องทําอะไรอีกละนะไม่ต้องดิ้นรนค้นคว้าอะไรอีกละนะเนี่ยค่อยฝึกนะแล้วลงท้ายท่านก็บอกว่าเป็นพระอราหันต์องค์หนึ่งในโลกค่อยฝึกไม่ยากอย่างที่คิดหลวงพ่อแค่หยุดพูดรู้สึกไหมใจไหลบื้บไป ไหลยอย่างรวดเร็วรู้สึกไหมไหลฟื้ไปนะแต่ว่าไม่ไม่กระโชกโกคากไหลแบบนิ่มๆแต่รวดเร็วนะคราวนี้ฟุ้งซ่านดูออกไหมอ่านะไม่ใช่ไหลนิ่มๆแต่คราวนี้ฟุ้งซ่านเป็นส่วนมากเนี่ยต่อไปต้องดูพาดูทีละห้องเนี่ยนะดูทีละคนดูกันไม่ทันนะนะรู้สึกไหมตอนนี้หัวลาทีเดียวขาดสติเลยรู้สึกไหมนะต่อไปหัวลามีสติสิหัวรละนะ เราเาอย่างมีสติไม่ใช่อย่างนี้นะไอ้อย่างนั้นก็ไม่ใช่นะอ้อาวต่อไปส่งกันบ้านปีหน้านะไอ้ฟ้ามาก็ยกมือนะเพราะมาบ่อยเหลือเกินคืนผูกขาดโคต้าได้ถามทุกคนเนี่ยคนอื่นก็จะบ้มามา้งอ้าวว่าไปก็ชอบอยู่วะจาเจ้าขาหลวงพ่อเล้อง่าก็กลับบ้านได้ละ <c oughs> ทำไมมาทำตาที่ชอบล่ะแล้วก็เห็นต่หลงกับเผออะค่ะเห็นถูกไหมเจ้าค่ะก็มีแต่หลงกับเพออะ oh. ทั้งวันห oh. ลงไปเผอไปเดี๋ยวก็โลกหลงไปเพอไปเดี๋ยวก็โกรธอ <Okay. S 1> าศัยหลงอาศัยเพลอนั่นแหละ <Okay. S 1> โมหะ <Okay. S 1> โมหะเป็นครอบโลกเลยนะหัวหน้าโมหะชื่อว่าอวิชชาเป็นหัวหน้าใหญ่เลยดังนั้ เห็นอยู่แค่นี้แล้วเจ้าค่ะเห็นแค่นั้นก็พอเหลือเฟือแล้วขอให้เห็นจริงเถอะเนี่ยยังเห็นไม่จริงหรอกนะเห็นแล้ยังกดอยู่ยังบังคับอยู่รู้สึกไ้ยจิตขนาดนี้ไม่เหมือนคนธรรมดามันเรียบร้อยกว่าตัวจริงของเราเอาตัวจริงออกมาเนี่ยรู้สึกไหมตัวปลอมเกาไว้นิดนึงเนี่ยมันตัวปลอมน ะ, ะเราไปสร้างมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมา งั้นบางคนนะถ้ามาเรียนใหม่ๆหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าประเภทลูกศิษย์รุ่นเก่าทนมือทนเท้าแล้วคราวนี้จะต้องเคาะกันนะจนกว่าจะหลุดออกมาสู่โลกของความเป็นจริงได้ถ้าเราไปสร้างอะไรขึ้นมาแนละ้วติดอยู่ในนั้นมันเจริญสติไม่ได้จริงข้ามปบข้ามชาติไม่ได้หรอกเร ต, ต้องหลุดออกมาสู่โลกธรรมดานี้เลยใจของคุณตอนเนี้ยมันนิ่งกว่าความเป็นจริงนะใจอย่างนี้ไม่ใช่ใจมนุษย์ใจอย่างนี้เป็นใจของลม ใจของมนุษย์นะชื่อว่ามนุษย์นะมนุษย์แต่ว่าผู้มีใจสูงใช้ไหมเป็นมนุษย์ดีมีใจสูงแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยยกย่องปลม่มว่ามีใจสูงเลยใช่ไหมใจของมนุษย์ดีที่สุดเลยเพราะซ้ำสอนใจมนุษนยะ์เนี่ยแหว่งไปแหว่งมาทั้งวันนะมันดูง่ายว่าไม่ไม่เที่ยงแต่ถ้าเราประคองให้นิ่งอยู่สามวันสามคืนก็ยังนิ่งอย่างเงี้ยนะต้องทําให้โอเวอร์แอคชั่นนะิดนึงคนที่ดูไม่เป็นจะได้ดูออก เนี่ยนิ่งอยู่อย่างเงี้ยนะมันสร้างขึ้นมามันไม่ใช่ของจริงนะมันไม่ใช่ใจมนุษย์ใจมนุษย์เนี่ยกลับกรอกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์การที่มันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เนี่ยมันแสดงใจลักส่วนใจที่นิ่งมีแต่ความสุขอยู่พวกนั้นก็พวกเทวดามีความสุขน่ะเนี่ยพวกเทวดามีความสุขแล้วเพลินเพลินในความสุขแล้วพวกลมก็จะสงบเนี่ยจิตอย่างลมนะ นี่พรมธรรมดานะนี่พรมเบื้องต้นถ้าพรมประนีตขึ้นไปก็ร่างกายหายไปไม่ใช่จิตที่ดีสำหรับการทำหิปัสนาอะไรนะรู้สึกไหมเรานิ่งกว่าความเป็นจริงเรานิ่งกว่าตัวจริงของเรานะให้รู้ว่ามันผิดปกติพวกเราเวลาปฏิบัติเนี่ยเราไม่รู้ ว่าการทําอะไรที่เกิดปกติเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราคิดว่าถ้าคิดถึงการปฏิบัติต้องทําให้ขลึมคมต้องคลึมอย่างน้อยต้องคลึมขนาด น, นี้ขรึมนะยังกงระตุกกติกได้นะแต่ใจจะต้องนิ่ง ๆ, ๆ, ๆเราคิดว่าขรึมไว้ก่อนแล้วดีนะเรียบร้อยดีนะเป็นภพอันหนึง่งนดะังนั้นทําอะไรใจเราไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นธรรมดาให้รู้ทันเลยว่าเราเข้าไปดัดแปลงมันเรียบร้อยละ นะพวกเราที่ไม่ได้ส่งกันบ้านอย่าเสียใจนะเวลาที่หลวงพ่อตอบคำถามของแต่ละคนเนี่ยหลวงพ่อตอบเผื่อพวกเราที่ไม่ได้ถามด้วยนะเห็น่องนั่งฟังเราก็จะเข้าใจตามไปด้วยนตอนนี้ใจลอยหมดทั้งห้องเลยรู้สึกไหม <c oughs> <c oughs> ใจหนีหนีหนีไปนะอา้าวคนต่อไปตอนแรกตื่นเต้นครับก็เบาลงแล้ว จิตเกินจริงแล้วรู้สึกไหมเมื่อกี้ไม่เกินตอนนี้เกินแล้วครับตอนจับใหม่ดูออกเปล่าครับครับอ่ะรู้สึกไหมมันนิ่งกว่าความจริงอยู่นิดนึงตอนแรกไม่เป็นพอไม้ละมาก็เป็นใช่ไม้ตัวเนี้ยเป็นวัตถุอัปมงคลใครจับเข้าตัวแข็งทุกคนเลยนะแล้วไงตอนนี้มันก็เหมือนมีเปลอกเปลือกใช่เราสร้างเปลือกครับเราจะต้องกระเทาะเปลือกออกมาให้ได้นะเราจะลอกเปลือกตัวเอง ไม่เป็นลอกประเดนหรอกจะลอกเปลือกตัวเองเราสร้างเปลือกก็คือพบนั่นเองสร้างไว้ให้ดูดีเราเป็นนักปฏิบัติต้องดูดีใช่ไหมให้หน่านับถือไว้ก่อนเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าตัวเราจริงๆร้ายที่สุดเลยเราก็ต้องหลอกตัวเองก่อนงนลอกออกมานะลอกตัวเองเหมือนลอกต้นกล้วยลอกกับกล้วยลอกไปเรื่อยใครเคยเห็นต้นกล้วยไหมใครใครเคยเห็นไหมว่ามันลอกออกมาเป็นชั้นชั้นได้ นั่นแหละภาวนานะมันลอกเปลือกตัวเองอย่างนั้นแหละลอกออกมาจะถึงขั้นสุดท้ายนะั่นลอกออกมาอันสุดท้ายแล้วเพราะว่าไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนแล้วใครจะทุกข์ล่ะตอนนี้ไม่มีใครทุกข์ลวมันว่างๆไม่มีใครทุกข์อโยม่ที่มันทุกข์ขึ้นมาเองแบบเหมือนแบบไม่มีสยายอะไรแลยมันทุกข์ตอนนี้เหรอหรือว่าตอนอื่นตอนตอ น, ตอนอื่นแล้วขันนั่เป็นทุกข์ทุกข์โดยตัวของมันเอง เราเฝ้ารู้ไปนะด้วยความเป็นกลางเห็นไหมไม่มีแต่ทุกข์ล้วนๆนักจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปดับไปแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์อีกอันหนึ่งเกิดเนี่ยเห็นทุกข์ไปบางคนบอกหลวงพ่อเนี่ยพูดยังไงเพราะฟังไม่รู้เรื่องบอกภาวนาแล้วมีความสุขเนี่ยเอคนนี้บอกพ่อ น, า, นาแล้วเห็นแต่ทุกข์เอาอยัางไงแนะ่พูดจาปรับกรอบฟังไม่รู้เรื่อง แต่เขารู้เฉพาะตัวน่ะเจ้าตัวก็รู้คนอื่นไม่รู้ก็ช่างไปเลยจิตมันเล้าสติขึ้นมาหน่อยอะไรนะจิตมันเล้าสติขึ้นมาถูกต้องรู้ไปเล้ามากความกความเป็นจริงอะเดี๋ยวนะต้องให้พวกไฟฟ้าเข้าหน่อยเบอร์อะไรไฟฟ้าสามหนึ่งน้ำมัสกาดค่ะอยู่เครียดไหมเครียดไหมจะต้องส่งกันบ้าน รู้สบายใจแลก็รู้สึกสดชื่นค่ะชื่สนะคืได้สงการว่าหลวงรู้สึกไหมใจเป็นธรรมดาหรือใจไม่ธรรมดาขณะเนี้ยเป็นอืก็เหนือกว่าธรรมดานิดหน่อยครับเลิกซะไปเป็นคนธรรมดาค่ะรู้สึกไหมมันไม่ยอมหลุดออกมาค่ะมันเป็นนิ่งๆนะมันดีกว่าธรรมดาค่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะบอกว่าให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง มันธรรมดามันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราอย่าไปดัดแปลงมันรู้อย่างที่เขาเป็นจริงๆนี่เราชอบดัดแปลงนะถ้าดัดแปลงเราไม่ได้เห็นของจริงหรอกใจหนีไปคิดทราบไหมเมื่กี้นี่ไปคิดคของโยมไปกดไว้นะ่ะปล่อยซีดปล่อยยิ้มทีหนึ่งก่อนยิ้มหวานๆรู้สึกไหมตรงนี้คลายออกจากต่กีนิดนะนะึงนะเจ้าค่ะอ้าวว่าไปส่งกันบ้านได้ ที่ผ่านมาสองสามวันก็หนักค่ะเพราะว่าเพ่งมากเกินไปปวดหัวแล้ววันนี้เวียนศรีรษะที่หลวงพ่อจะบอกให้คลายออกเพราะเรื่องนี้แหละเหนื่อยเกินไปมนเครียดไปกรรมาฐานจริงๆไม่ได้ลำบากเท่าที่โยมทำหรอกเช่นคนเขาชมเราเราดีใจเรารู้ว่าดีใจ คนเขาว่าเราเราเสียใจรู้ว่าเสียใจไม่แค่รู้ธรรมดาเท่านั้นเอง <Okay. S 2> ไม่ใช่เราต้องทําใจให้นิ่งๆคนชมก็เฉยคนด่าก็เฉยไม่ต้องทำงั้นปล่อยเลยนะพยายามไปปล่อยซะ okay. ก็จะมาขอหลักหลวงพ่อเพื่อที่จะกลับไปปฏิบัติที่บ้านเลิกปฏิบัติไป <Okay. S 2> แ, แล้วคนเขาชมดีใจก็รู้คนเขาว่าเสียใจก็รู้นะใจเราเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้รู้เฉยๆ <Okay. S 2> ไม่ต้องทําอะไร ลืมคำว่าปฏิบัติซะน ะ, ะจริงๆคำว่าปฏิบัติเป็นสองคำนะคำว่าปฏิคำเนึงคำว่าปติคาเนึงเนื่อคนไทยไม่เรียกว่าปฏิบัติไปแปลว่าทำปฏิปแปลว่าเฉพาะเช่นปฏิกิริยาปฏิกิริยาเฉพาะปฏิปแปลว่าถึงถึงเข้าไปถึงอย่างสมบัติคือเราเข้าไปถึงมันมีอย่างสม่าเสมอเรียกว่าสมบัติ ปฏิบัติเนี่ย<ม>ก็คือมีสติอยู่เฉพาะหน้าไม่มากกว่านั้นหรอกไม่ได้ทําอะไรมากกว่านั้นหรอกนั้นไม่ต้องทําอะไรมากกลายเป็นยังไงก็รู้สึกใจเราเป็นไงรู้สึกรู้สึกเล่นเล่นแล้วจะง่ายค่ะง่ายอ้าวเบอร์ต่อไปครับนรมาสการค่ะครับนรมาสการหลวงพ่อครับออ่จิตมัวมัวไหมหรือสดใสดีช่วงนี้นะครับแต่ตอนเนี้ย ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้จะเป็นใจจะออกเต้นแล้วใจใจนิ่งๆเปล่าความเป็นจริงไหมมีนิดหนึ่งกับรู้สึกไหมมันมีตัวหนึ่งนิ่งมีตัวอื่นเคลื่อนไหวนะแต่เหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งกัดนี่เราเป็ย่งประคองอยู่กับกลัวไม่ดีแล้วก็ไปกดมันไว้นิดหนึ่งใช่ครับการปฏิบัติไม่มีอะไรมากให้รู้ทันสภาวะจริงๆที่กําลังเป็นอยู่ ดั้นตอนนี้กดอยู่รู้ว่ากดอยู่ครับตอนนี้ปล่อยรู้ว่าปล่อยอะไรเงี้ยนะรู <ฆ Architecture. S 2> ้ไปเรื่อยตอนนี้หนีไปคิดครับไหมท <binge, S 2> รยาย ค, รครับเออหนีไปคิดแล้วรู้ครับเมื่อกี้ตอนที่ทราบว่าหนียยไป ค, คิดรู้สึกไหมมันมีความรู้สึกอะไรต่อมาอีกดูออกเปล่าดูไม่ออกครับมันดีใจอ๋อเนี่ยตอนนี้แอบไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมครับผมเกิดสงสัยัดีใจยังไงนะนีให้รู้ทันมันเข้าไปนะครับผมรู้โลาปัจจุบันแล้วไม่พลาดต่ออ่ะ กลับในมรดการค่ะมาครั้งแรกค่ะได้ฟังซีดีแล้วก็ฝึกตามดูตามรูตามปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนค่ะตอนนี้ออตื่นเต้นใจเต้นตักๆเหาอตื่นเต้นไม่เป็นไรนะตื่นเต้นนะ่ะจิตมันตื่นเต้นแต่เราไม่อยากให้มันตื่นเต้นเราไปกดไว้ตรงนี้ต่าหากที่มีปัญหา เพราะฉนั้นจิตตื่นเต้นไม่เป็นไรเราไปกดทางหากแหะมีปัญหาอย่าไปกดมันสิปลอ่ปปลอยให้มันตื่นเต้นไปปล่อยให้มันตื่นเต้นไม่จําเป็นต้องเรียบร้อยนะคุยกับหลวงพ่อเราคุยกันแบบจริงใจจริงๆเป็นลิงแทบทุกตัวเหละ <c oughs> <c oughs> มันไม่ได้เรียบร้อยอย่างเนี่ยรู้สึกไหมหลุดออกมาละค่ะนีหลุดออกมาแล้วเรนะนะารู้สึกไปสบายสบายรู้สึกไหมตัวที่มันหลุดออกมานี่ยมันโล่งเลยนะใช่ค่ะ นั่นแหละรู้สึกตัวถึงจะเป็นอย่างนี้ไอ้ที่พีก่กดให้นิ่งๆไม่เรียกว่ารู้สึกตัวนะคนที่ดูไม่เป็นนะคนที่ไม่เคยฝึกเนี่ยมหัดทีแรกนะ่ะจะรู้สภาวะง่ายแต่พอรู้เป็นแล้วตัดไป็นนี่อยากรู้มากๆกลัวจะเปลอจะเริ่มไปเพ่งไอ้โรคนี้เป็นทุกคนนะนะแต่เป็นธรรมดาอ่าต่อไปแบบนรส ก, การหลวงพ่อคะ่ะเป็นลูกศิษย์ใหม่ค่ะือเป็นลูกศิษย์ใหม่อ่ะคะ่ะนี่ บางทีถ้าถ้าไปดูความคิดความคิดก็จะดับแว บ, บเลยแต่ว่าจะไปคิดต่อว่าเออเห็นไหมเมื่อกี้ดับไปแล้วอย่างงี้ค่ะจิตไปคิดให้รู้ว่าจิตไปคิดรู้ว่าคิดก็รู้ว่าคิดนะไม่จงใจรู้ถ้าจงใจรู้จะแน่นแทีนี้ถ้าถ้าดูอารมณ์แล้วอารมณ์ไม่ไม่ค่อยดับอะค่ะอารมณ์อะไรละ่ะเช่นโกรธหรือว่าทําไมมันไม่ดับเราไม่ได้ฝึกดูให้ดับเราฝึกดูให้เห็นว่าความโกรธก็ไม่ใช่จิตเราความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราว ไม่ได้ฝึกให้กิเลสดับนะ <Okay. S 1> ถ้าตั้งเป้าว่าจะฝึกให้กิเลสดับกิเลสไม่ดับหรอกเพราะในขณะที่อยากให้กิเลสดับนั่นแหละมีกิเลสอยู่ <Okay. S 1> ตรงที่เราเกลียดกิเลสนั่นแหละกิเลสแหละแล้วมีมีอยู่วันหนึ่งก่อนจะนอนนะคะหลวงพ่อกับช่วงกําลังจะหลับมันรู้สึกเย็นว่าที่กลางอกแล้วก็ <Okay. S 1> เป็นเป็นแสงขึ้นมานั่นคือสภาวะอะไรคะเป็นสมถนะเรานับนอนแล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆน ะ, จะใจจดจ่ออยู่ในการรู้นันเดียว จะสว่างขึ้นมาเป็นสมถะนะถูกถูกที่ปฏิบัติถูกไหมคะถูกแบบสมถะต้องปล่อยให้ได้นะอย่าขนาดนี้ยจิตนิ่งเกินไปถ้าเราเพ่งไว้อย่างนี้ยเดี๋ยวก็เห็นแสงต่างๆได้อย่าไปปล่อยอย่าไปบังคับให้จิตนิ่งให้ออกมากระทบอารมณ์บ่อยๆตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เข้าไปกระทบแล้วก็ปล่อยให้ใจมันกระเทือนมันยินดีบ้างมันยินร้ายบ้างแล้วก็คอยรู้เอาอย่างตอนนี้ห น, นีไปคิดแล้วทราบไหมทราครบค่ะ กดอยู่ตลอดเวลารู้สึกไหมเออเลิกซ ะ, ะถ้ากดอย่ น, นี้เดี๋ยวก็เห็นสงเห็นแสงอะไรขึ้นมาอีกนะถ้าอยากข อ, ของกันเออที่ยิ้มออกมาแต่เกี้ยวรู้สึกไหมหลุดออกมาค่ะเนี่ยตรงเนี้คือความรู้สึกตัวนะคะเออดูไปเรื่อยๆกลับไปมันรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้มันเข้าไปสร้างภบสร้างชาติปิดเกาะนิ่ง ๆ, ๆไว้ก็รู้นะตอนเนี้เริ่มเข้าไปเกาะอีกละทื่อๆอีกละรู้สึกไหมค่ะให้คนอื่นบ้างเหนื่อย พูดเร็วเหลอเกินบางคนบอกให้พูดช้าๆนะพูดช้าๆมันไม่ทันสภาวะสภาวะมันเปลี่ยนเร็วค่ะถามนัการรหลงพ้อนะคะคือตอนนี้รู้สึกว่ามันจะกังวลเรื่องอะไรอ่ะใจมันแวบไปแวบมาค่ะดีแล้วที่เห็นมันแวบไปแวบมาดีแล้วที่กังวลแล้วรู้ว่ากังวลไม่ต้องไปแก้ไขให้รู้ทุกสิ่งตามที่เขาเป็นค่ะที่ที่เป็นอยู่นี่ถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่ เห็นไม้มถ้าทางเราภาวนามไม่เอาไหนเลยรู้สึกไหมเหมื <c oughs> อนตาวนามไม่เป็นรู้สึกไหม <c oughs> เราไม่ได้ทําอะไรแต่ใจแว บ, บไปแว บ, บมาแล้วเรารู้แค่นี้ใช้ได้แต่ต่อไปจะต้องไปฝึกให้จิตตั้งมั่นกว่า น, นี้นะแต่ตอนนี้ยัง <c oughs> ให้ฝึกรู้สภาวะไปก่อนค่ะ <c oughs> ถ้ามาเรียนต่อไปก็ต้องเรียนทยํายังไงจิตจะมีสมาธิมากกว่านี้สมถรคจะต้องทําสมถรคแบบไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ เ, เออบอร์ห้าสิบหกแล้วเพระกรับเรา ก็รู้อย่างที่มันเป็นนะฮะครับรู้อย่างที่มันเป็นเมื่อกี้ดีตอนนี้ไม่ดีตอนนี้กดไวแล้วอาฮะแล้วก็ผมผมรู้สึกได้ว่าแต่ละส่วนของกายมันมันทำทางานแตกต่างกันใช่เวลาตาทำงานก็จะไม่เกี่ยวกับส่วนอื่นท้องพองยุบก็จะไม่เกี่ยวกับแขนขาใช่ตรงนี้ถึงเรียกว่าอินซี แต่ละตัวนะเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัวเองในขณะที่ทํางานด้วยตาในขณะที่ตาดนะูตัวอื่นก็ไม่ใหญ่ตาใหญ่ตัวเดียวใชในขณะที่หูฟังใชหูก็เป็นใหญ่เนี่ยถึงเรียกว่าอินเสียมันเป็นใหญ่ในตัวของมันในกิจของมันขณะที่มันทํากิจของมันคนอื่นไม่เกี่ยวแล้วมันก็แยกแต่ละส่วนออกไปอ่าดูอย่างนั้นได้การภาวนานะั้นะนะจะแยกอีธาต์ไหนก็ได้จะแยกเป็นขันก็ได้เป็นธาตุก็ได้เป็นอายตนะก็ได้เขางคุณมันจะแยกอายตนะ ตามันก็ทํางานหูมันก็ทํางานใช่ไหมจะหมูกลิ้นกายก็ทํางานอันนี้เราเรียกว่าแยกด้วยอายตนะการทำนี้ปััสนาจะแยกเป็นขันก็ได้เป็นธาตุก็ได้เป็นอายตนะก็ได้คือแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นชิ้นๆบางคนก็แยกเป็นขันเป็นขันห้าเป็นรูปนะรูปนี่เป็นรูปเป็นตัววัตถุเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นฝ่ายนามาทำทำไมมีรูปอยู่หนึ่งอันจะมีนามมาทำสีอัน คนไหนที่ชํานาญเรื่องดูจิตนะมันจะไปแยกขันห้าจะแยกสิ่งที่ตัวเราเป็นตัวเราเนี่ยออกมาเป็นลักษณะของขันห้าแยกขันห้ากับอายตนะคนละขันกันคน อ, นนคนอายตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เป็นวัตถุเห็นไหมมีใจเป็นนามธรรมอันเดียวอันนี้เหมาะกับพวกที่ถนัดที่จะรู้กายนะมันจะไปแยกอายตนะออกมาธรรมะแต่ละบทแต่ละบทท่านสอนคนที่แตกต่างกันขันหน้าสอนกับพวกที่ชํานาญเรื่องดูจิต นะอายตนะสอนกับพวกชํานาญดูกายมีอีกตัวหนึ่งธาตุธ า, าตุมี18บธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมณ์ความรับรู้คือจิตหรือวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ม, มีอย่างละหกหหกรวมแล้วเป็น18นี้เรียกว่าธาตุธาตุสิถ้าลองดูสิจะมีรูปประธรรมจําจนวนมากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ เป็นตัวรูปประธรรมเห็นไหมธรรมารมมีทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมเห็นไหมตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวรูปประธรรมใจเป็นนามธรรมวิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอันนี้เป็นนามธรรมดังนั้นแยกโดยธาตุเนี่ยนะจะมีรูปจํานวนมากมีนามจํานวนมากเหมาะกับพวกที่เรื่องมากพวกที่อยากรู้เยอะ ให้กรรมฐ า, านนะแล้วถ้าขอให้เราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆได้ก็ใช้ได้แล้วละ่ะจะแยกโดยขันจะแยกโดยความเป็นธาตุจะแยกโดยความเป็นอาะยะตนะก็ใช้ได้เราไม่ได้สร้างขึ้นเองเราไม่ได้สร้างของคุณจิตมันเห็นจริงๆนะให้คุณเดินตัดไปนะแต่ว่าใจมันตอนนี้มันล็อกมากไปนิ่งเกินไปถ้าปล่อยตัวนี้ได้นะมันจะผดีเป๊ะเลยดูไปละ ว, ว่าหนึ่งก็เห็นแล้วมันไม่มีตัวเรานะตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่เราเห็นไหมมันทํางานเอง รู้สึกไหมเวลาที่มันทำงานมันก็ขมขีคนอื่นหายไปหมดเลยอ่าต่อไปสีส้มกลางนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะมีเรื่องจะเล่ากับหลวงพ่อเยอะเลยเอายันสั้นๆเอาสั้นๆนะฮ เ, เ, เอาแต่เนื้อเนื้ออ่าเมื่อเดินไปเดินกัญญามากราบหลวงพ่อคำนั้นเพลงเพลงหลวงพ่อบอกให้เลิกปฏิบัติในระเบียบไปก่อนก็เลิกระหว่างที่ผ่านมาก็สบายรู้สบายสบายอะค่ะ แล้วก็ไปเห็นอะไรเยอะเลยกิเลส hmm. ฟังซีดีหลวงพ่อเนี่ยหนูก็เดิมเห็นหลวงพ่อเรียกชื่อคนโน้นคนนี้หนูก็อยากให้หลวงพ่อเรียกชื่อหนูบ้าง hmm. แล้ววันนึงไปฟังเรื่องทิดเหลืองมาหลวงพ่อว่ามันนั่งเฉยเฉยคนเรียกมันเหลืองเหลืองมันนั่งเฉยจะใจมันพองเนี่ย hmm. แวบมาดูตัวเองว่าโอโ้โหฉันคล้ายคล้ายไอ้เหลืองเล ย, hmm. อ, ยอยากให้อยากให้อยากมีตัวต้นในสายตาของหลวงพ่อค่ะ อยากให้หลวงพ่อเรียกชื่อนะต้องแขวนป้ายชื่อไว<ม>้ก่อนอแล้วค่ะไม่อยากแลรู้ทันแล้วไม่อยากแล้แลไม่หลวงพ่อพ<า>จะไปรู้ได้ไงว่าชื่ออะไรไม่อยากแล้วแล้วก็ฟังซีดีของพกก่อก็ก็จะเวลาได้ยินคําว่าสวดอะบันเนี่ยก็เห็นใจมันแวบไปเวลาหลวงพ่อพูดนะปฏิบัติเนี่ยไม่เอาอะไรมันก็แวบไปอีกทีหนึง่งได้ยินเชื่ออาจารย์สวัสิมันก็แวบไปอีกทีหนึ่งก็รู้แว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งโลภะทั้งอิจฉาที่ทหมดขอยังไงก็ตรงนี้อยากจะกราบขอโทษอาจารย์สวัสดิ์หนูไม่ได้อยากอิ หไม่เกี่ยวเอ้าเราไม่ได้อิจฉาเราไม่ต้องขอโทษสิตจิตมันเป็ น, <ผ>นคนอิจฉาให้มันไปขอโทษเราไม่เกี่ยวค่ะแล้วก็หนูจะบอกหลวพ่อว่าหนูรู้สึกว่าหนูเห็นร่องรอยของการที่เราเคยสนหนู ร, นนรู้สึกไม่ตองที่หนูพูดคาว่าหนูคำแรกอะมันมีตัวเราขึ้นมาจริงๆดูออกใช่ไหมค่ะพอว่านายเก็กมากนะหนูอะพอดออีหนูสัญญาณมันก็ลืมไปแล้วมันจะบอกว่า หนูเห็นร่องรอยของการที่หนูเคยสะสมมาเพราะว่า40ปีแรกของชีวิตเนี่ยหนูไม่เคยมีศรัทธาในศาสนาพุทธเลยแต่หนูไมื่อตั้งใจเห็นว่าเวลาหนูนั่งดูทีวีหรือดูนั่งฟังเนี่ยหนูชอบกระดิกนิ้วขยับนิ้วหรือบางทีมือก็ชอบไปขีดขเขียนเขียนหนูกล้องใสหนูโรคจิตตอนนั้นหนูแค่หนูเป็นไรก็ไม่รู้ทําไมชอบทําแบบนี้จนมาปีศักดิ์เซศเนี่ยได้มาพบครูบาอาจารย์สามท่าน แล้วก็เกิดศรัทธามีวิริยะแล้วก็เข้าใจคําว่าปรมาตธรร ม, ห, มหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่ได้โลภจิตแล้วละ่ะหนูคงเคยสะสมมาที่จะรู้สึกตัวค่ะหนูก็แต่หนูก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวที่แม้จะเคยสะสมมามันลืมได้มันลืมไดมันลืมยาวมากค่ะหลวงพ่อสีสิบปีเนี่ยมันแบบมันได้อยู่ในเส้นทางมันออกไปข้างนอกเลยลืมไปกี่ปีนะสี่สิบปีเราลืมนานหลวงพ่อลืมไปเจ็ดปีตอนเจ็ดขวบแล้วมันขึ้นมาละมนสี่สิบ <precisa> ปีศรัทธายังไม่มีเลยนะคะหลวงพ่อ ก็ลเลยรู้สึกว่าอ้มันน่ากลัวที่ถ<อ>้าไงนตอนนี้ต้องเอาตัวให้รอดก่อนจนะพยานะยามจนะตั้งาถ้าไม่งั้นมันต้องเริ่มต้นบางทีหลงไปอีกนานถ้าไม่ได้ได้ยินธรรมะไม่ได้ฟังธรรมะจะไม่ขึ้นมาอีกหลายชาติเลยค่ะของพ่อคะหนูมีคําถามอยู่สองอันก็คือว่าคําถามที่หนึ่งเนี่ยอพอเริ่มเกิดศรัทธาเนี่ยหนูชอบเข้าคอร์สปฏิบัติจะพอเข้าคอร์สปฏิบัติเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูมันไม่ค่อยปกติหนูจะ ซึมจะแบบว่าเรียบร้อยอ่ะมันไม่เหมือนกับเวลายอยู่ในชีวิตประจําวันที่รู้ก็อยู่ในชีวิตประจําวันให้มากเข้าคอร์สไม่เข้าซะ ก, ก็ได้ไม่ก็ได้หรอคะยังอ่ะก็ดีไม่ใช่ก็ได้ฮนะ <c oughs> ไ, มไม่เหมาะหลวงพอแนละ้วไม่ค่อยนิยมการเข้าคอร์สเข้าใจไหมแล้วเข้าคอร์สนะทุกคนต้องทําเหมือนเหมือนกันในเวลาเดีย ว, ยวกันใช่ไหมค่ะ <c oughs> กินพร้อมกันนอนพร้อมกันเดินพร้อมกันนั่งพร้อมกันฟังอาจารย์พร้อมกันจริตนิสัยคนไม่เหมือนกัน แล้วไปบังคับทุกคนให้ทำพร้อมๆกันทําไม่ได้ปวดหรอกทางใครทางมันแล้วอย่างปฏิบัติในระเบียบเนี่ยเวลาระยะเริ่มหนูเริ่มจะกลับมาลองทําดูแต่เวลาหนูเดินหนูเห็นใจมันหนักหนูไปดูอีกนะว่าเวลาเราสนทนาธรรมะนะเราก็รู้สึกเทส น, นะใจมันพองเหมือนกันรู้สึกไหมมันรู้สึก <c oughs> พองขึ้นเรื่อยๆแล้วนะยังไม่เห็นแตต้องไปต้อ ง, งจาะเอา<ด>ลมออกส<ๆ>ับ้างค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ เอาไปจบอย่างข้าขาอ๋อส่งขายจบอีกเหรอเยอะจริงหนูอยากจะบอกว่าหนู่เห็นความเมตตาแล้วก็อืความเหน็ดเหนื่อยของครูบาอาจารย์ทุกท่านเลย<ม>หนูจะไม่ให้ความเหน็ดเหนื่อยของครูบาอาจารย์เนี่ยสูญเปล่า<ม>หนูจะตั้งใจแล้ววันนี้เนี่ยหนูจะสารต่อพันธกิจของลุงพ้อเออดีแล้วโมทนานะอื์เอาไปส่งไปข้างหลังอ้อยอ้อยน้าแล้วคุณเสื้อเขียวลด คนนี้ที่หลังหนูไม่ได้เออหนูมีอัตราตัวตนมากเลยค่ะหลวงพ่อแป๊บหนึ่งนะที่ส่งกันบ้านต่เกี้ยหลงไปแล้วเนี่ยสืบต่อไม่ได้แนละ้วหลงอย่างเงี้ยพอพอไปสอนเข า, าอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกเลยว่า ทั้งที่เราไม่ไม่ไม่อยากไปสอนเนี่ยเป็นเพราะวเรากลัวเสียหน้าอืกลัวโดนฉีกหน้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้อ้อยพาคุณแม่มาด้วยแล้วโดยปกติถ้าคุณแม่ตาหนิอะไรเนี่ยอ้อยจะทนไม่ได้คือมันเสียหน้าวันนี้หลวงพ่อกรุณาฉีกหน้าอ้อยฉีกหน้าแม่ฉีกหน้าหนูอะค่ะเพราะว่าหนูหนูรู้สึกว่าเรารักตัวเองมากเลยมันไม่ต้องฉีกแล้วล่ะเพราะหนูฉีกของตัวเองแล้ว ถ้าเป็นคนป่วยก็เรียกว่ามันจะหายแล้วรู้จักรักษาตัวเองได้แล้ว ค, คนซึ่งต้องช่วยเหลือคือคนซึ่งมองไม่เห็นสภาวะอ้ยเริ่มเห็นสภาวะแล้วหลวงพ่อก็ไม่ต้องช่วยอะไรมากหรอกก็เชียดให้เท่านั้นแหละไปดูอีกน ะ, ะเห็นไหมจะสอนเขาก็มีประโยชน์นะค่ะเป็นสอนเขาแล้ ว, ลวเราก็เห็นกิเลสของเราแต่บางคนเนะี่ยไม่ให้สอนบางคนถ้าสอนแล้วจิตจะฟุง้งซ่าน ฟุ้งในธรรมะถ้าพวกฟุ้งในธรรมะนี่สอนคนอื่นไม่ได้จะเสียเลยอย่างอ้อยเนี่ยไม่ได้ฟุ้งในธรรมะเวลาไปสอนกลับไปเห็นกิเลสตัวเองอย่างนี้เหมาะที่จะสอนแต่หนูรู้นะน้อยนะะหลวงพ่อไม่ต้องรู้อะไรมากอะหนูรู้แค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่นันก็ดับรู้เท่านี้ก็พอละหนูรู้แค่ว่าไม่ต้องทําอะไรเหล่ารู้ลงปัจจุบันเฉพาะหน้าด้วยจิตที่เป็นกลางบอกอยู่ประโยคเดียวแค่นี้ก็พอละขอบคุณค่ะหลวงพ่อคุณนอน กลับนมัสการหลวงพ่อครับไม่ทราบว่าช่วงนี้ผมปฏิบัติปิดพลาดอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าไปเห็นว่าสภาวะมันมีลักษณะของกายกับใจเนี่ยครับมันถูกความทุกข์เสียดแทงอยู่ตลอดเวลาจนเหมือนบางครั้งเนี่ยมันมันเหมือนเราจะเปิดออกมาได้ครับเหมือนอะไรนะเหมือนจะระเบิดออกมาครับแล้วเหมือนบางครั้งอาจจะบ้าหรือไงเนี่ยครับแล้วก็พอมันเกิดสภาวะนี้ผมก็เลยคิดเองนะครับว่ามันเอ๊มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ตั้งมั่นหรือเปล่าก็เลย กลับไปภาวนาด้วยวิธีการสวดมนต์นะครับแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะครับมันก็ยังเป็นภ<ช><ว>าวะนิยมอยู่ครับใจของคุณมันขาดความสงบไป น, นิด น, นึงครับนะมันขาดความสงบสุขครับนะคุณลืมเรื่องภาวนาสับ้างครับทําตัวให้สบายสบายอย่าเครียดนะครับแล้วก็ดูเล่นๆครับต้องดูเล่นๆไปครับตรงนี้เห็นอย่างนั้นนะเห็นดีแล้วเห็นถูกแล้วแต่ใจที่ไปเห็นมันเข้านะั้ยังไม่เป็นกลางครับให้รู้ทันใจที่ยังไม่เป็นกลางนะ ภาวนานะถ้าเมื่อไรเห็นมีแต่ทุกข์ล้วนๆนะถ้าปล่อยวางได้รู้ทันแนละ้วปล่อยวางได้จริงด้วยจิตที่เป็นกลางนั้นจะวางครับก็หลุดพ้นไปได้แต่ถ้าเห็นความทุกข์ขึ้นมาแล้วใจเราไม่เป็นกลางนี่เกิดเครียดนะเครียดทนไม่ได้เดี๋ยวสติแตกครับนะั่นตอนที่เราจะแตกหักข้ามภพความชาติมันเป็นอีกสภาวะหนึ่งใจเรามันมีกําลังมันตั้งมัน่นใจของคุณตอนนี้มันไม่ตั้งมัน่นมันฟุ้งไปนิดนึงขอบคุณครับนนทําความสงบบ้างขอบคุณครับ นักเสื้อเขียวเสื้อเขียวการรณรงค์หลวงพ่อครับไม่รู้ว่าทําถูกตอนนี้ยังปฏิบัติถูกหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยมีเวลาปฏิบัติเยอะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ดีระดับหนึ่งแต่พอตอนเนี้งานเยอะมากกลับบ้านสามสี่ทุ่มแต่เนี่ยเาสึกว่าพอขึ้นรถแล้วได้ภาวนได้ได้ปฏิบัติมันสึกมันดีกว่าตอนที่มีเวลาปฏิบัติเยอะๆ เ, เรามีเวลาแค่ช่วงสั้นๆก็เลยไม่แน่ใจว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราบ้างครับคือเวลาที่เรามีปัญหามากมีความทุกข์มากนะนะมันเป็นนาทีทองของการปฏิบัตินะการภาวนานจา ก, กกระปรี้กระเป่าเวลาที่สบายมากๆช่วยนะถ้าไม่เฉยก็คือเข้าไปติดอะไรนิ่งๆอยูนะ่อย่างตอนนี้เราต้องออกมากระทบกระทั่งเยอะใช่ไหมนะเรามานั่งดูได้ประโยชน์นะเพราะว่ามีเวลาแค่ช่วงขับรถตอนเช้ากับตอนเย็น mm. แต่พอเปิดซีดีหลวงพอ่อมันรู้สึก อมันเบามันสบายมันมันรู้อะไรหลายๆอย่างก็ถ้าพอใจให้รู้ว่าพอใจด้วยครับต้องมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมมหรือเปล่าครับให้สบายหน่อยนะเวลาเจอหลวงพ่อเมื่อไหร่จะเลิกกลัวสักที <c oughs> ถ้าชคกัดหลวงพ่อก็แพ้นะไม่ยอมกลัวเราอีกทําสบายๆนะที่ฝึกอยู่ดีขึ้นเรืเนะ่อยๆแหะเสื้อเหลืองกับนบรัสการ พระอาจารย์ประโมทครับผมมาจากสุรินเมื่อก่อนก็ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อคืนที่ที่วัดปา่าวัดนาเดือนจันนะครับนาเดือนจันติดสมาถะ ม, มาประมาณยี่สิบปีเมื่อประมาณปีพศ2549นี้ได้ฟังซีดีของพระอาจารย์ประโมทแล้วก็ปฏิบัติมาอย่างต่อนเนื่องล่าสุดก็ไปฟังธรรมที่บุรีรัมย์ครับอืขอกราบขอขอบคุณพระอาจารย์ประโมทที่ให้ธรรมะที่ ง่ายต่อการปฏิบัติกระพัดรันแลว้วก็ไม่เอาธรรมะมาจากสุรินนั่นแหละคนสุรินมาเอาคืนไปเทีก็ดีครัครับตอนนี้ก็ติดเพ่งมานานนะครับแล้วก็มีดปัสนายังไม่คล่องขอการบ้านไปทําต่อด้วยครับอย่างเพ่งอยู่นะยังเพ่งดูออกแล้วใช่ไหมถ้าเพ่งอยู่เนี่ยปัญญาไม่เกิดเพราะว่ามันนิ่งครับต้องปล่อยปล่อยให้มันทํางานมันจะเห็นแต่ตรละนะอย่าไปกดทางสุรินน้าไปติด สมัธนากันมากนะจะชอบโดยพื้นฐานในชอบไปเล่นอิทธิฤทธิ์กั น, นเล่นแล้วสมัยก่อนที่หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่หลวงปู่ดุล น, น่ะนะทั้งพระทั้งโยมเนี่ยก็ไปเรียนกับท่านก็มีหลายคนนะแล้วพอรับหลังท่านนะชอบเล่นกันส่งขิตไปโน่นส่งขิตไปนี่เล่นโน่นเล่นนี่เพ่งพระอาทิตย์นะเพ่งอะไรต่ออะไรไม่รู้เล่นวุ่นวายไปหมดเลยเล่นรับหลังหลวงปู่นะ แล้วตอนท่านดูนะก็ทําเป็นเรียบร้อยไปช่วงเดี๋ยวก็เล่นอีกแล้วเล่นไปเล่นมานะตอนหลวงปู่ไม่อยู่แล้วเสียไปเยอะเลยแตลอเปิดเปิง เ, เ, เลยเป็นบ้าไปเลยก็มีเพราะั้นเราจะต้องตั้งหลักให้ดีครูบาอาจารย์สอนบอกไม่ส่งจิตออกนอกให้เรารู้สึกไปจิตมันทํางานเราคอยดูทําตัวเป็นแค่คนดูดูเล่นๆของคุณเกินจริงนะต้องปล่อยซะนะให้เป็นคนธรรมดาให้ได้นะธรรมดาที่สุดดีที่สุดเมื่อก่อนในตลาด สุรินน่ะมีแม่ค้าคนหนึ่งแม่สเกียวแม่สะเกียวขายผักรู้จักไหมแม่สเกียวภาวนาดีนะครับคนสุรินทที่ภาวนาเก่งๆนะเป็นคารวาสสมัยก่อนนะ่ะมีหลายคนแล้วตายไปหมดแล้วะราเล่นถามด้วยกันหลวงพ่อคือว่าอยากจะขอเล่นถามว่า อ, อการปฏิบัติธรรมมีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพยังไงคะไม่เห็นจะเป็นเลย อาชีพอะไรอ่ะต้องบอกก่อนถ้าอาชีพรับจาา้างค่าคนเงี้ยเป็นอุปสรรคแน่นอนเลย <c oughs> อาชีพทำมาหากินสุจริตนะไม่ครับเวลาต้องพูดต้องสอนมากนี่มันต้องแบบคล้ายๆมันก็ตะเลิดเปิดเปิมไปเงนั้นค่ะตองหัดตองต้อใครฝึเเกเจริญสติควรจะแบ<อ>ะบว่าไม่ต้องประกอบอาชีพแล้วก็มาอยู่แล้วก็ทําอย่างเดียวอย่างนี้จะเหมาะไหมคะไม่ได้หรอกเป็นฆราวาสต้องทำมาหากินอันนี้เฉพาะตัวเองใช่ไหมคะหลวงพ่อ มีหน้าที่ทํางานหากินก็ทําไปนะแล้วต้อง<น>ท<ำ>ําการทํามาหากินเนี่ยไม่ได้ขวางการปฏิบัติถ้าปฏิบัติเป็นหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่ยังเป็นฆราวาส น, นะเมื่อยี่สิบห้ายี่สิบหกปีก่อนเป็นฆราวาสก็ทํามาหากินแล้วก็ภาวนาไปด้วยไม่ได้ขวางอะไรกันครับแต่มันติดนิ่งไปเลยอย่างนี้นะคะออถ้า ถ, ถ้าสมมติว่าไม่คือถ้าไมถา่ถ้าว่างอย่างนี้มันจะนิ่งไปแล้วก็นั่นแหละไปทํามาหากินมันจะได้ไม่นิ่ง ยิ่งเลิกทามาหากินยิ่งนิ่งมากกว่าเก่าอีกเนี่ยอยู่อย่างนี้ทุกวันเจอคนใช่ไหมใจก็แว่งขึ้นแฝงลงแว่งขึ้นแ่งลงเรามีสติตามดูใจที่แ่งขึ้นแ่งลงอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติ <Okay. S 2> การปฏิบัติไม่ใช่แปลว่าการทําจิตให้นิ่งอันั้นมันเป็นการปฏิบัติแบบือสีชีไฟ <Okay. S 2> การปฏิบัติของเราเนี่ยเรากระทบอารมณ์ตามองเห็นหูได้ยินเสียงใจคิดเยแล้วใจก็เพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงเราคอยรู้ทัน เราเห็นเลยใจเราแ่งไปแฝงมาเราคอยรู้อย่างนี้วันหนึ่งเราก็เห็นเลยจิตนี่มันไม่เที่ยงมันแ่งตลอดจิตรู้สึกไหมคูดพูดกันอยู่ใจหนีแวบแวบไปแค่รู้เฉยๆที่ว่ารู้สึกนี่มันนิดเดียวเองค่ะนั่นแหละนิดเดียวแหละปัจจุบันสั้นนิดเดียวนิดนิดเดียวเลยเออนิดเดียวไม่เฉพาะนิดนิดนะนี่เริ่มนิดนิดนะเอ่์เก้าแปด เมื่อไตรมาที่แล้วครับหลวงพ่อบอกว่าของผมมันอยู่ขั้นแตกหักครับไม่ราบว่ตอนนี้มันถลอกไปบ้างหรือยังครับฮขั้นอะไรต่ <c oughs> หลวงพ่อทักว่าตอนนี้จิตตั้งมั่นแล้วก็มันกําลังจะถึงขั้นแตกหักะครับให้มันแตกไปหมดแล้ว <c oughs> นะขอบพระคุณครับรู้สึกเอนะรู้สึกใหม่นับหนึ่งเลยครับ <c oughs> ทุกวันการปฏิบัติทุกวันเนี่ยนับหนึ่งไว้รู้สึกตัวรู้สึกตัวใจหนีไปแล้วรู้เนี่หนีไปแล้วรู้สึกไหม ฝึกอย่างนี้ได้่อยนะอาเบอร์เก้าแปดบางทีสื่อสารแล้วมันคลาดเคลื่อนกันนะมันไม่ใช่แตกหักแบบขําพบพข้ามชาตินะกลับนมาสกรารหลวงพอวอ่อเจ้าค่ะเอเมื่อคราวที่แล้วยมมาจากลำปางนะคะเมื่อคราวที่แล้วยอมม า, ค, า, มาครั้งหนะะึ่งมาสามครั้งอค่ะแล้วก็เและยมก็ได้ไปต่างประเทศแล้วก็ก็ได้นําคําสอนที่หลวงพ่อได้แนะนําเนี่ย ก็ไปเจอแหม่บนเครื่องบินก็คุยๆยให้เขาฟัง mm. เขาก็อีเมลมาบอกว่าที่โยมแนะนําให้เข้าไปเนี่ยทําให้เขาเนี่ยได้ออกมาจากชีวิตส่วนที่ดา่าที่ด่าคือส่วนมืดของเขาโ mm. ยมก็เอาธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยไปแปลธิบายให้เขาฟังและตอนนี้เขาก็อีเมลมาตลอดเวลาเขาก็ประทับใจมากว่าเขาไม่เคยรู้จิตเลยเพราะเขาไปติดยุบหนอพองหนอมานะคะ สำหรับของตุยมนี่โยมก็คราวที่แล้วหลวงพ่อได้เมตตาแนะนำโยมว่าโยมเร่งทำรีบเร่งไปสักนิดหนึ่งก็คราวนี้โยมกราบขอนรมสการหลวงพ่อช่วยช่วยเช็คดูว่าโยมรู้สึกไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมใช่ไหมจิตเราล่องโปร่งเบาค่ะล่องโปร่งเบาใช่เนี่ยเป็นเต็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเจ้าค่ะ แล้วยอมรู้สึกไหมทุกอย่างมันไหลผ่านเราไปเรื่อยใช่เราเป็นแค่คนดูคยมรู้สึกไหมทุกอย่างอยู่ห่างๆร่างกายก็อยู่ห่างๆใช่ไหมเวทนาสันสังขานที่เป็นกุศลอกุศลอยู่ห่างๆตอนนี้มันโล่งโปร่งเบาไปหมดไม่รู้สึกอะไรไม่รับรู้ระวังไว้อันเดียวอย่าให้ติดอยู่ในความโล่งนี้นะ ใจเล็บน้อมเข้าไปหาความโล่งในแล้วไปสกครองอยู่ในความโล่งนี้ต้องไม่เอาตรงนี้ไม่เอาตรงนี้นะเจ้าค่ะกราบนมำสการขอบคุณดีมากนะที่ถามคนนี้ห้าสองคนนั้นเระไปปิดเพ้งแล้วไม่มีผักให้เก็บหรืออะไรเลยอ่ะเดี๋ยวนี้กันนะคนนี้กันอ่ะอะอยากจะขอหลวงพ่อว่า ไอ้ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยมันจะพอเป็นที่พึ่งสุดท้ายของวาระชีวิตได้ไหมคะลุงพ่อได้ได้ไดอย่ากลัวฉันไม่ได้กลัวแล้วค่ะแต่ว่าไวันนี้นะเหมือนก็จะมาลาลุงพ่อนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันอ่อนเพลียมากอะค่ะขออนุญาตคนอื่นด้วยนะคะการบ้านอย่างอื่นก็ไม่ไม่มีทรงแล้วค่ะลุงพ่อพอเป็นที่พึ่งได้มัใช่ไหมค่ะลุงพ่อได้แน่นอนนะได้แน่นอนนะคะงพ่อไม่ต้องกลัวหรอกสมมติจะต้องตายจริงๆก็ให้มันตายไปค่ะ พออาพอ่อของคนนุณลุงพ่อค่ะเดี๋ยวตอนจะตายก็ไปเองอะ่ะเรารู้เรื่อยๆนะรู้ไปเห็นร่างกายมันเจ็บป่วยเห็นร่างกายเป็นอย่างวานี้เราดูเล่นๆไปเราไม่เกี่ยวหรอกเออไม่เป็นไรใจเราไม่ได้อ่อนเปลียแต่อย่าไปประคองใจให้นิ่งนะเวลาเราสมมติเราไม่สบายมากนะเราไปติดเท่งให้นิ่งๆนะเดี๋ยวไปเป็นพ่อผรลมลำบาก นั้นเราตามดูไปเห็นร่างกายมันไม่สบายเห็นร่างกายมันเจ็บเห็นร่างกายมันตายใจเราไม่เกี่ยวใจเราเป็นแค่คนดูอ่างตอนนี้ใจมีแรงอีกแล้วรู้สึกไหมอ เ, เออต้องอย่างนี้สิอย่างนี้พร้อมจะตายเลยตายก็ตายเลยอย่างนี้ อ, อืมมีสิไปทำเอานะเมื่อก่อนนั้นก็มีพระองคหนึ่งท่านไม่สบายมากให้ท่านดูไปนี่แหละ ท่านดูจนท่านตายเลยนะท่านตายได้ดีมากเลยใช่ดูดูกาย ม, มันเห็นร่างกายมันนอนร่างกายมันดิ้นไปดิ้นมาอะไรเงี้ยใจเราอยู่ต่างหากนะอ้าวเบอร์ห้าสองนมาศการหลวงพ่อนะครับคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกผมว่าผมมีสามสเตจคือเผลอรู้แล้วก็ไปเพ่งทันทีนะครับตอนนี้มันเดี๋ยวช่วงนี้เผลอบ่อย รรอรัวล่อย <ID S 1> ดีนะแสดงว่าเพ่งน้อยลงครับแต่พอพ อ, พอรู้ปุ๊บว่าเผลอปุ๊บเดี๋ยวนี้มันจะแน่นขึ้นมาทันทีครับางทีขับรถอยู่มันแน่นจนหายใจไม่ออกอย่างนี้คือคือก็รู้ว่ามันแน่นนะครับใช่ไหฮะตามไปอย่างนั้นคือต้องลืมคำว่าปฏิบัติะนะแล้วใช้ชีวิตที่ธรรมดาธรรมดากระทบอารมณ์ไปแล้วมันยินดียินายรู้เล่นเล่นไปนะไม่ต้องรู้ตลอดเวลาถ้ารู้ตลอดเวลาตัวจแน่น รูเ้เล่นๆรู้บ้างเผลอบ้างแต่อย่าเผลอนานหนาเกลียดเท่านั้นแหละแล้วอขอถามนิดนึงครับแล้วอย่างที่บอกว่าพยายามให้ปฏิบัติในรูปแบบนะครับผมพยายามปฏิบัติทุกเช้าอย่างนี้นะครับทีนี้ก็ใช้ลหมหายใจเป็นีวิหารรมแต่ทีนี้พอทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มันจะอะไรมามันจะมั่วไปหมดมันไม่ใช่มั่วคือยกตัวอย่างมีพัดลมมีเสียงนกมีเสียงรถมีอะไรต่างๆเนี่ยเรามันจะรู้ๆๆทีละอย่างไปอย่างนี้นี่คือถูกต้องนะ่าตัดสต<ท>นะแล้วนะ วางใหม่แล้วหายใจให้หลวงพ่อ ด, ดูอย่างตรงนี้ไม่ได้นะรู้สึกหมหนดัดแปลงแล้ดัดแปลงไปเรียบร้อยแล้วไม่ไม่เอาเลยหยุดเลยอยูย่แต่เนี่ยเราใช้จิตตรงนี้ไปรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจด้วยจิตแบบธรรมดาอย่างเนี้ยตอนนี้ใช่ไหมครับเออไม่ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนั้นติดเลยเอาเบอร์อะไรแล้วไฟฟ้ายีนะ่สิบหกอ๋อสามหกค่อยเชื่อนึกว่ายี่บหก ขออนุ ญ, ญาตครับคำถามสุดท้ายเอ่อที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกอินทรีย์อ่อนพวกเราอินทรีย์อ่อนเนี่ยวิธีทําให้อินทรีย์แก่เจเิยเจเลยมั๊กเจเลยสติแตกอีกนะนรู้กายรู้ใจไปได้คือพวกเรามันพวกตกรุ่นนะกตกรุ่นถ้าอินทรียแก่วงเจอรผู้เจ้าแล้วโหหลุดไปหมดแล้วนี่เราอย่างอินทรีย์อ่อนกินปลาอินทรีย UC ์ก็ช่วยไม่ได้อย่าไปบังคับเอาต้าเลิกซะมีสติ มีสติรู้กายอย่างที่เขาเป็นเห็นเห็นร่างกายมันหายใจเราแค่รู้เฉยๆนะแทนที่เราจะรู้เฉยๆเรากับชอบตัดแป่งแม่ก่อนจะดูจิตหรือก่อนจะดูลมหายใจเราต้องวางฟอร์มก่อนแล้วก็น้อมใจให้นิ่งๆ น, น้อมไม่ให้มันซึมซึมไปเกาะ อ, อย่างงี้ไม่เอาเลยนะอย่างนั้นจะไปล้าจะไปปรหมโลกกันหมดเลยเอาเบอร์สามพี่หกครับกลับสนับกลับนมัสการหลวงพ่อครับ ก็วันนี้เป็นวันที่สามที่มานั่งฟังของพ่อเทศก่อนหน้านี้ก็อ่านหนังสือมานะครับก็จากปฏิบัติมาสามวันนี้ก็รู้สึกว่ามันรู้ช้าไปหน่อยนะครับอย่าอยากสิรู้ช้าก็ดีกว่าไม่รู้เลยคือบางทีมันผ่านไปแล้วประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็เริ่รช้าไปหน่อย <c oughs> แล้วแล้วพอพอพอพอเริ่มรู้แล้วเราก็เอาสติไปไปไ ป, ไปจับไว้ ปรากฏมันก็ไม่ไปไหนอะครับเราจะไปเพ่งแทนพอส่วนมากพอเผลอพอรู้ว่าเผลอนะก็กลับมาเพง่งอี่ยไปเพ่งมันเลยอยากขอคําแนะนำํำ<อ>คุณบริกรรมเล่นๆแต่ก็ได้แต่อย่าให้นิ่งนะท่องพุทโธ ส, สมมติสวดมนต์สั้นๆก็ได้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะวาอะไรเงี้ยสวดมนต์นสั้นๆแล้วใจหนีไปคิดแล้วก็รู้ใจหนีไปคิดเรารู้เวลาที่เราจะฝึกตัวเองไม่ให้เผลอนานเนี่ยเราต้องมีเครื่องอยู่ของจิต ถ้ามีเครื่องอยู่อะไรก็ได้นะในกายเวทนาจิตธรรมหรือกระทั่งส่วนมนต์ก็ได้เราสวดมนต์แล้วพอใจลอยไปเรารู้ว่าใจลอยแล้วก็สวดอีกไม่ดึงนะไม่ห้ามไม่ว่ามันสวดอีกเดี๋ยวใจลอยไปอีกเราก็รู้อีกอย่างนี้ต่อไปพอใจมันลอยแวบเนี่ยสติจะเกิดขึ้นเองมันจะไม่หลงเป็นชั่วโมงแล้วมันจะหลงได้แวบเดียวอย่างตอนเนี้ใจหนีไปละทราบไหมทราบครับนะแล้วบางครั้งก็เวลาอ่านหนังสือหลวงพ่อแล้วบางครั้งมัน มันเกิดข้อสงสัยอะครับสงสัยรู้ว่าสงสัยนะไม่ต้องรู้คําตอบะธรรมะที่หลวงพ่อเขียนไว้ให้หลวงพ่อเขียนไว้ให้พวกปริยัติเขาอ่านส่วนนักประฏิบัตินะนะฟังเทศเราก็พอแล้วครับขอบขอบขอบพระคุณหลวงพ่อครับสามเจ็ดสามสิบเมื่อสามหกคุณก็ทําได้ดีนะคุณทําได้ดีคุณจะทําเล่นๆไปนะแต่ว่ามีเครื่องอยู่นะเอาร่างกายมาเป็นเครื่องอยู่ก็ได้ของคุณอาจจะเหมาะ คอรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนคุณคอยรู้สึกร่างกายบ่อยๆถ้าช่วงไหนใจมันเบลอๆนะก็จับต้องร่างกายตัวเองต้องกายตัวเองนะอย่าจับคนอื่นอยบเนี้ยเนี่ยสัมผัส ต, ตัวเองเนี่ยะให้มันความรู้สึกตัวมันชัดๆขึ้นมานะแต่ชัดสบายๆนะไม่ใช่ชัดอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวทะเลอกนะขอคุณรู้กายไว้ด้วยนะนะจิตคุณจะเดินไปได้ดีเลยเอ่เบอร์สามเจ็ดกราบน้องสุ ก, การหลวงพ่อคะ่ะ ปกติเป็นคนที่ใจจะไหลไปคิดอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะนเด็กเขาก็เป็นค่ะแล้วตอนนี้ก็ตื่นเต้นแต่ว่าพยายามประคองไว้เพื่อจะประคองจะจฟังธรรมะหลวงพ่อค่ะให้มันตื่นเต้นไปค่ะตื่นเต้นเรารู้ตื่นเต้นเรารู้ไม่ต้องประคองหรอกเห็นตอนนี้แอบไปคิดสับไหมค่ะค้าไปอย่างนั้นแต่ยังคิดไม่เลิกเลยคิงงรู้สึกไหม แก้แก้ที่ไหลไปคิดไม่ได้ไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้ให้รู้ตามความเป็นจริงไม่ได้ให้แก้นะไม่ได้ให้ห้ามจิตจะไหลไปก็รู้ว่าไหลตอนนี้ไหลไปคิดละรู้สึกไหมคแค่รู้ว่าเขาไหลไปคิดจิตก็จะตื่นขึ้นมาเองแล้วตื่นได้ชัว่วแวบก็จะไหลไปคิดใหม่ก็รู้ว่าใหม่ก็ตื่นได้อีกแวบหนึ่งการปฏิบัตินั้นเราปฏิบัติทีละแวบเดียวเท่านั้นเหมือนที่โยมคนไหนบอกแต่เกียร์ว่าเห็นได้ทีละแวบเดียวท่านเอาเบอร์สามแปด เดี๋ยวน้าขอขออีกสองสามคนสองกระสาฟ้าค่ะหลวงพ่อพอมันใกล้มาถึงก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกแน่นๆน่งๆิ่งๆค่ะอย่าปิกดไว้ค่ะรู้สึกไหมหายใจไม่เต็มปอดแล้วค่ะไม่เต็มปอดรู้สึกไหมค่ะค่ะพอยังเลน่อยแทนเลยเนี่ยหายใจจนเดี๋ยวหัวใจวายไปค่ะ เวลาหัวเราอก็สบายอะค่ะใช่หลวงพ่อถึงต้องพูดให้หัวเล้อเข้าใจไหมเพราะหลวงพ่ออยู่คนเดียวหลวงพ่อก็ไม่ไปนั่งพูดอะไรให้ตัวเอหัวเราอหรอกเวลาสอรโยมเลยนะต้องโห้โต่อสู้สารพัดเลยเพื่อจะให้ตื่นนะ่อเพ่งมากๆแล้วก็ต้องยั่วให้หัวเล้อจนบางคนบอกหลวงพ่อเนี่เป็นฟ้าหน้าเป็นไม่ใช่สิเราไม่ใช่ฟ้าหน้าตายดิอ้าววะ ต่อไปที่ภาวนาไหใช้ได้แล้วนะทำสมาติวนร้อนแล้วมันหลุดออกมาออกครับผมเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเฮ้ยผมสงสัยรับผมไม่จะดู ก, กายเลยดูใจดีครับของโยมต้องดูกายไปก่อนนะของโยมทําสมาธิมาเยอะครับมสมาธิจิตมันนิ่งมากครับจิตที่นิ่งเนี่ยโยมเคยรู้กายด้วยรู้แทีละส่วนเลยนะผมโยมยาวดีเอาไว้รู้ ครับเนี่ยรู้ผมเราจิตเราไปอยู่ที่ผมก็รู้นะจิตมาอยู่ที่ขนเนี่ยมันก็อยู่ที่ขนคิ้วเราก็รูนะ้จิตไปอยู่ที่ไหนก็รู้ไล่อยู่ในร่างกายเนี่ยไล่เล่นๆนะดูก า, าไปก่อนอ่าดูดูจิตดูจิตนะแต่ว่าเอากายมาช่วยเช่นเดี๋ยวเราก็นึกถึงผมนะจิตเราไปอยู่ที่ผมเดี๋ยวม่อยู่ที่หูอะไรเงี้ยนะใครครู้สึกไปเราจะเห็นว่าจิตเราวิ่งไปวิ่งมาได้ทั่วตัวเลยเราเล่นอย่างนี้ไปก่อนนะครับพยมนะสมาธิเยอะ ครับอมาครั้งแรกนะครับเอก็เพิ่งเริ่มฝึกที่ชัดสุดตอนนี้ก็คือตื่นเต้นนะครับแต่ที่ผ่านมามันไม่รู้อะไรเลยครับเหมือนยังดูไม่เป็นเลยครับไม่ต้องดูให้เป็นหรอกรู้จะโกรธไหมรู้ครับเคยโกรธไหมเคยครับทําไมรู้ว่าโกรธอ่ะก็รู้สึกว่าโกรธรู้สึกนั่นแหละครับที่บอกให้รู้ให้รู้น่ะคือให้รู้สึกเอาเคยเคยอิดฉ้าไหมเคยครับทําไมรู้ว่าอิดฉ้า ก็รู้สึกเับการดูจิตก็คือรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปรู้สึกเอาน่ะเลยไม่ได้ทําอะไรเราไม่ใช่ดูด้วยตานะคุณพยายามจะไปดูดูเอาตาไปดูเนี้ยมันไม่เจอหรอกให้เรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆรู้สึกไหมใจขนาดนี้มันโปร่หวัดตะกี๋ครับแม้มันสงบลงมารู้สึกไหมเรารู้สึกสงบเราก็รู้ไปตอนเนี้ใจฟุ้งซ่านแล้วรู้สึกไหมอยากพูดเห็นไหมมีแรงดันขึ้นมาครับ หัดดูจิตแล้ว เ, เขาดูกันอย่างนี้ไม่ได้ดูด้วยลูกตาหรอกอดดรู้ด้วยความรู้สึกผมเหมาะจะดูจิตใช่ไหมครับดูจิตไปดูจิตได้อยู่ครับยกมือยกมือมือร์หกหกกลับในมรดการเรียนหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อคืนนี้อยากโยมโยมภาวนาค่ะภาวนาเสียสังขารของแม่ค่ะแม่แม่ของโยมอ่ะ ป่วยที่โรคมะเร็งแล้วเพิ่งเสียชีวิตได้หนึ่งเดือนนะคะแล้วโยมก็นึกถึงภาพแม่ที่ในขณะที่ป่วยเห็นสังขารแม่มเห็นสังขารแม่แล้วโยมก็รู้สึกสลดใจสะกดใจแล้วน้ำตาก็ร่วงไหลลงมามแล้วโยมก็อธิษฐานว่าบุญใดที่ลูกมีขอน้อมถวาย ขออนงค์ถวายแม่ของโยมขอบารมีคงหลวงพ่ออดแทนแม่ตาหลวงพ่แก่แม่ของโยมและวันนี้โยมก็ดีใจที่โยมได้มีโอกาสมากราบหลวงพ่อเจ้าค่ะเป็นครั้งแรกเจ้าค่ะขอขอหลวงพ่อแนะนําโยมด้วยโยมเรียนต่อเลยนะที่โยมนึกถึงศพของแม่เนี่ยนึกถึงแม่ตอนป่วยใช่ไหมเจ้าค่ะนึกถึงร่างกายของเขาแล้วใจเราสลดลงมาอันนี้ดีนะ พอใจเราสลดแล้วเราเดินต่อเลยเรารู้ทันใจว่าใจกำลังสลดอยู่แล้วพอเรารู้ทันว่าใจสลดจะเดี๋ยวหนึ่งก็หายสลดแล้วก็รู้ทันว่าหายสลดแล้วแล้วต่อไปนั้นนะใจจะเป็นยังไงเราคอยรู้เรื่อยๆแต่เรามีความสุขก็รู้ใจเราเฉยเฉยก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ขึ้นมาก็รู้พอรู้ทันใจเรื่อยๆนะพอเรารู้ทันใจไปช่วงหนึ่งนะสมมติว่าสัก15นาทีเนี่ยเรานึกถึงแม่อีกบุญที่เราได้ภาวนารู้ทันใจของเราเนี่ยขออุทิศให้แม่นะ แล้วเสร็จแล้วเราก็ปรับเรื่มใจขึ้นมาได้อุทิศบุญเรารู้ว่าปรับเรื่มอีกแล้วมาดูต่ออีกนะฝึกไปเรื่อยๆแล้วสิบนาทีสิบห้านาทีเราก็อุทิศบุญให้แม่ทีหนึ่งแล้วดูอีกะนะแม่จะได้ได้บุญเยอะๆแล้วลูกจะได้เป็นตารหันสาธุเจ้าจค่ะมีสตินะมีสติไปเรื่อยๆวันหนึ่งพวกเราก็จะพ้นทุกไป มันไม่ได้เหลือพิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจะทําได้แต่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนซึ่งไม่เคยฟังธรรมแล้วจะไปได้ด้วยตัวเองต้องอาศัยว่าได้ฟังธรรมของการเจริญสติเราเจริญสติเป็นเรารู้สึกกายรู้สึกใจแนละ้วใจเราเป็นไงเราคอยรู้สึกไปเรื่อยๆวันหนึ่งใจเราก็อิสระขึ้นมาจิตหลุดพ้นจากความทุกข์เบอร์108ยกมือการมารดกขอมพ่อครับ วันนี้ผมได้ปฏิบัติมาเริ่มเริ่มที่มาวัดนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมจนถึงจนวันนี้มาดาบทครั้งที่ห้านะครับก็รู้ในการทํางานดับวิเปไปทุกวันทุกวันรู้อารมณ์โกรธรู้ <ยง S 1> อารมณ<ด>์ตื่นขันจิตของโยมไม่เหมือนเดิมละมันรู้ตัวได้บ่อยขึ้นใช่ไหมครับแกมันโปร่งมันโลง่งมันเบามากขึ้นนะครับมันเห็นทุกอย่างไหลามาไหลไปได้เยอะขึ้นแล้วยกภาวนาได้ดีนะครับต้องทาอีก ครับเหมือ น, ม, น, ม, นมันเหมือนการ์ดของหลวงพ่อที่ขึ้ น, <ม>นก็มีลงใช่ครับนะเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้ขึ้นอย่างเดียวครับแต่เราฝึกจนใจยอมรับความจริงว่าขึ้นได้ก็ลงได้ลงได้ก็ขึ้นได้ใจเป็นกลางนี่เราเห็นซ้นาแล้วซ้ําอีกนะมีแต่เจริญแล้วเสื่อมเนี่ยเพื่อวันหนึ่งใจเราจะเป็นกลางครับเมื่อเช้ามาทันไหมที่หลวงพ่อพูดพระภาวนาก็เพื่อจนกระทั่งมีปัญญาแล้วก็ใจเป็นกลางทันครับดีนะรับตอบไปเบรืรออะไรหลวงพ่อครับมีเรื่องครับเมื่อสักครู่คุณ ถ้าผมคุณพ่อคุณแม่ผมยังอยู่เนี่ยนะครับผมจเจริญสติไปเรื่อยแล้วผมส่งบุญไปคุณพ่อคุณแม่ตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยท่านจะได้ไหมครับไม่ได้เนาะนะคนยังมีชีวิตอยู่ไม่รับส่วนบุญเนาะเราต้องไปบอกต้องไปบอกนะครับ ต, ต้องไปบอกให้พ่อแม่ อ, อนุโมทนานะถ้าเขาไม่ อ, อนุโมทนาเขาก็ไม่ได้บุญเนาะครับสุดท้ายผมมีอะไรผิดที่ต้องแก้ไขไหม ค, ครับผมยังฝึกได้ดีแล้วฝึกไปได้เรื่อยใจเย็นๆนะครับแล้วคอยรู้ไปเรื่อยขอบคุณหลวงพ่อค่ะสาไปเบอร์หกสิบสี่ นักการพทยอาจารย์ค่ะโยมาจากเชียงใหม่นะคะเริ่มฟังหลวงพ่อตั้งแต่เดือนมกราทีนี้อพอเดือนกุมภาเนี่ยมีสภาพคือความสุขมันโชยมาค่ะความสุขมันโชยมาแล้วก็หายไปแล้วมันก็พอมันหายไปก็มีความสุขว่าขยามๆคิดว่าความสุขนี่คือเป็นตัวที่เราทําถูกพอทําไปอีกก็ ทำก็กลายเป็นเพ่งแข็งไปนะคะนี่ไงเราทำไงพอเราลงมือทำมันก็ผิดสิค่ะแล้วก็เลยปล่อยพอปล่อยไปสักทักก็บอกว่ามันเป็นไปเหตุตามไปตามเหตุกับปัจจัยนะคะเพราะฉะนั้นยมก็เลยเป็นคนที่ตั้งต้นหนึ่งเสมออยู่เรื่อยๆที่สุดเลยตั้งหนึ่งไว้แล้วก็ตอนนี้ก็คือตั้งแต่ตอนช้ามานี่ลุ้นนะคะคือลุ้นยกมือค่ะว่าจะได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ก็ตื่นเต้นทีนี้อยากจะให้หลวงพ่อดูว่าช่วงนี้แม้แต่กระทั่งตอนที่เรา เรียกว่าโชควยตอนกลางคืนนะคะหรกชโชควยตอนกลางคืนเนี่ยค่ะมันกลายเป็นแบบอ่าเฉยๆว่างๆค่ะไม่ค่อยเจออะไรแต่ก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกรู้อย่างหนึง่งก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเข้าข้างตัวเองถูกหรือผิดเนี่ยถูกสินะแต่ตอนนี้ใจนิ่งกว่าความเป็นจริงไปนิดหนึงใช่ใช่ใช่ใจนิ่งแล้วก็เต้นเต้นด้วยใ่เต้นนะแล้วย่ไปดูนะดูไปสบายๆแต่จะมีจุดอ่อนอย่างหนึงใจจะฟุ้งซ่านง่าย ใจมันฉับฟุ้งซ่านพอมันฟุ้งซ่านเรารู้อย่างสบายใจนะเ อ, อแกฟุ้งซ่านฉันไม่ได้ฟุ้งด้วยนะอไปดูอย่างนี้เรื่อยๆใจเราจะค่อยมีแรงมากขึ้นมากขึ้นและข อ, ขอขอขอควา ม, มงกหนึงอย่างนะคะคือมากับพี่สาวค่ะก็อยากจะให้หลวงพ่อดูพี่สาวนิดนึงค่ะไหนลาะพี่สาวอยู่ไหนโทรมาให้เห็นเลยสินมัสการคะค่ะอันนี้ย่ยอมกําแรงก็เริ่มจะหักค่ะเ อ, ะอะ ควรจะเริ่มต้นยังไงไปฟังซีดีของหลวงพ่อบ่อยๆนะๆฟังแล้วก็สังเกตใจของเรารู้สึกไหมบางทีก็ขำ<ช>บางทีก็งง ร, รู้สึกไหมใช่บางทีก็สนุก<ๆ>ใช่ไมใช่เ<ๆ>นี่ยใจเราเป็นยังไงเราฟังซีดีไปเรื่อยๆนะแล้วใจเราเป็นยังไงเราค่อยรู้ใจสงสัยรู้ว่าสงสยัยใจขำรู้ว่าขำนะใจสบายรู้ว่าสบายใจ ง, งงงไปหมดแล้วรู้ว่างงคอยรู้ทันใจเรื่อยๆไป อาตาไปเบอร์อะไรละ่ะลืมไปแล้วเก้าสิบสองนะแล้วสองคนน้นหลวงพ่อคะหนูหักมีสติในชีวิตประจำวันนะคะแต่ว่าไม่ได้สมกันบ้านมานานก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้มันหลงโลกไปหรือเปล่าคไม่หลงโลกนะตอนเนี้ประคองแรงไปนิดหนึ่งด้วยซ้ํา <วะ S 1> แต่ตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยมันฟุ้งเกินไปนิดหนึ่งทําในรูปแบบบ้างไปเดินจงกลมไปเลยนะเดินถนัดไหม ไม่ค่อยถนัดชั่งถนัดนะอะไรละ่ะถนัดนั่งถนัดนั่งก็นั่งแปลกนะนั่งเห็นร่างกายมันหายใจหรือนั่งทําอะไรนั่งดูความคิดค่ ะ, คะนั่งดูความคิดเนะ้าซ้อมไปทุกวันนะดูมันไปเรื่อยแต่ถ้าใจมันไม่ตั้งมั่นนะก็รู้ทันว่าไม่ตั้งมั่นใจมันแรงน้อยไปนิดหนึ่งแล้วมีประสบการณ์ เ, <อ>เกี่ยวกับการภาวนา ม, มาเล่าให้หลวงพอ่อฟังค่ะคือวันก่อน ไปตลาดกับลูกสาวอะค่ะแล้วลูกสาวเกือบโดนรถเหียบอะคะ่ะก็เห็นว่าปากอะมันร้องแต่ว่าเห็นใจอ่ะมันนิ่งอเฉ่เฉยเหมือ น, น, น, นไม่มีนัแหละะไม่ตกใจอะไ ร, ไรเลยเวลาที่เกิดฉุกเฉินขึ้นมานะสติปัญญาเราทํางานหมุนจีขึ้นมาเลยนะไม่ตกใจหรอกเลาไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่มีตกใจเลยอืออย่างนี้ถูกแล้วถูกแล้วแหละนัเป็นผลที่เราฝึกของเราไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะโลกถล่มลงต่อหน้านะใจยังเฉยเลย อาเบอร์หนึ่งร้อยหนูพ่อต้องดมอย่าดมแล้วกับนักมาการหลวงพ่อค่ะนุบมาจากเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ฟังซีดีของพ่อมาประมาณปีหนึ่งค่ะ<อ>ถึงได้รู้ว่าตัวเองนีติดสมถ t มากค่ะแล้วก็ตอนแรกไี้ฟังนี่สับสนมากว่าเอ๊ะทําไมทําไมมันเป็นอย่างนี้ว่าเคนจะทํำยังไงนะคะก็เลยหยุดทําเออแล้วพยายามดูจิตก็เพิ่รู้ว่าตัวเองหลงไปคิด<อ>ไป<อ>ฟุ้งซ่านบ้าออบอลเลยค่ะแล้ว ก็ต้อกลับมาทําสมาะอีกเพราะหลวงพ่อบอกว่าต้องรักษาศีลต้องทําในรูปแบบบ้างแล้วก็ดูจิตไปแต่ละวันก็ทำว่าหลังๆแบบนมันฟุ้งซ่านมากเลยค่ะนั่นแหละคือคนที่เจริญปัญญาอยู่นี่นะเวลาทําสมถธิมันไม่รวมนานหรอกสงบแวบเดียวสงบนิดหน่อยนะจิตที่จะเคลื่อนขึ้นมาแล้วก็มามีสติตามดูไปอีกไม่เป็นพักนานหรอกพักนิดนิดหน่อยหน่อยพอแล้ว คือถ้าทําในชีวิตประจำวันนี้จะฟุง้งซ่านมากแต่ว่าปีอย่างเงี้ยประมาณช่วงเข้าวรรษาร์นี่จะไปอยู่วัดประมาณสิบวันอะคะ่ะแล้วมันจะนิ่งมากเลยค่ะบางทีมีอยู่ครั้งนึงนะคะนั่งไปล้วมันมันเหมือนหลุดจากโลกนี้เลยะคะ่ะเหมือนเราพยายามอยู่กับโลกไว้นะมันมันเหมือนกับเราโอบโลกทั้งโลกเพราะว่าจริงๆะน ะ, ะเพราะว่าใจเราเนี่ยมันเบื่ อ, อ ม, มันเบื่อโลกข้างนอกนะ พอไปนั่งพราน้ำเลยหลบเขาไปอยู่โลกข้างในมันก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วหนูควรจะทําสมถะต่อมไหมทำนะแต่อย่าทานาน<อ>ถ้าจิตจะรวมก็ให้เขารวมไปถ้าทําแล้วจิตไม่รวมจิตสายไปสายมารู้ว่าสายไปสายมาแล้วที่สําคัญนะเนีเจริญสติในชีวิตเป็นจมั่นมากมากเพร า, าฟุ้งซ่านมากเลยคะ่ะฟุ้งซ่านไม่เป็นไรฟุ้งซ่านกับปัญญาเนี่ยคับเส้นกันนิดเดียวค่ะถ้าเราต้องการแต่ความสงบจะไม่เกิดปัญญา ถ้าเราปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วค่อยมีสติรู้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดปัญญาแต่มันก็เสี่ยงต่อความฟุ้งซ่านแล้วพองหนอยุบหนอนี่เหมาะเป็นวิหาระธรมของหนูนไหมคะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แถ<า> ม, มแล้ว<ะ>แข็งค่ะนะแค่แอย่าไปกําหนดนะค่ะแค่รู้สึกรู้สึกแค่รู้สึกนะอย่าไปกําหนดนะแล้วเรื่ออย่างนี้จิตมันจะมีมีกําลังไหมคะถ้าถ้ า, ถาสมรคะเป็นเป็นพวกพองหนอยุบหนอไม่เหมาะอะค่ะ คือของคุณเราทำฟองยุบแล้วใจจะซึมค่ะใจมันซึมเกินไปนะโมหะมันแทรกมันไม่ใช่สมร t h ที่ดีก็ดูจิตไปบ้างแล้วก็ทํารูปแบบบ้างใช่เดินจงกรมอะไรเงี้ยขึ้นมาแต่อย่าไปเดินแบบกําหนดเท้าอีกนะอ๋อค่ะถ้ากําหนดไปเรื่อยๆมันก็ไปติดซึมอีกของคุณรู้ดูออกแล้วใช่ไหมว่าแต่ก่อนมันติดซึมอยู่เฉยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะดูทีวีแล้วก็มันมันตะกก็หัวเราะก็ตกใจตัวเองมากค่ะว่าเอ๊ะ ให้หัวเราะทำไมมันหน้ากเกลดอย่างนี้เงี่ยคะนั่นเริ่มเห็นความจริงแล้วรู้สึกไหมตัวที่หัวเราะมันไม่ใช่เราหรอกมันก็แว๊บๆอะค่ะนั่นแหละต้องปล่อยเห็นไหมถ้าปล่อยแล้วมันถึงจะเห็นไตรลักษณ์เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เรานะตัวที่หัวเราะอยู่เนี่ยจิตใจก็ไม่ใช่เราหรอกวิ่งไปวิ่งมาได้แต่ถ้าเรากําหนดจนนิ่งนะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูแล้วหนูคนจะทํายังไงต่อไปคะ ร่มใจรู้สึกไหม<ฆ>กังวลอ่ะ<ฆ>รู้ว่ากังวลของหนูไม่มีอะไรหรอกหนูรู้กาย ร, ร, รู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆ<ฆ>รู้เล่นๆด้วยจิตที่เป็นกลางไปเรื่อยๆ<ฆ>จับหลักให้แม่นมีเท่านี้แหละอเอาเชิญกลับบ้านไปใครอยู่เชียงใหม่ก็ไปลําปางเข้าไป<ฆ>นะฮะหายใจก็เชิญเนานะ<ฆ>รู้สึกทั่วประเทศเลยนี่พัฒลุงอยู่ข้างหน้านี้